คือทานนี่แปลว่าการให้ใช่ไหมทินะแปลว่าการให้เพระฉั้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั่นแหละคําว่าอาทินังเนี่ยนะได้แก่ของที่คนอื่นหวงแหนซึ่งของใครใครก็รักของใครใครก็หวงอ่ะนะลักษณะเนะี่ยทรัพย์สินสิ่งนั้นนะอ่ะเพะฉั้นคนอื่นเมื่อถึงความเป็นผู้ทําตามชอบใจในสิ่งที่ผู้อื่นหวงแหนฉันแม้อันใด ไม่ควรได้รับโทษทันและไม่ควรถูกตำหนิคือคือผู้ที่เป็นเจ้าของครับไหมสา ม, มารถที่จะใช้ของสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่มีใครตำหนิเลยเพราะฉะส่วนผู้ที่มีทะยะเจตนาตั้งใจลักของผู้ที่มีความสำคัญในสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้น่ะเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหนยังความพยายามถือเอาของนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าอัทินาทาน เราก็รู้ด้วยนะว่าของเนี่ยเขาห่วงมากแต่เราจะเอาอ่ะอผู้ที่คิดจะเอาในลักษณะนี้แหละชื่อว่าลักษณะของอาทินาทานเหมือนกับผลไม้ลูกนี้เรารู้ว่าเขาห่วงอ่ะเจ้าของเขาไม่ชอบใจเนี่ยเราเอาไปแต่เราก็ถือเอาเลยอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาห่วงอ่ะเพราะฉะนั้นอาทินาทานนั้นที่รักขโมยเนี่ยนะ เชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวของราคาน้อยก็มีโทษน้อยหน่อยแล้วแต่ว่าลักอะไรลักเข็มก็มีโทษน้อยกว่าลักของที่มีค่ากว่าเข็มอีกนั่นแหละใช่ไหมอะไรที่มีค่ามากก็มีโทษมากไปตามนั้นเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นประณภทคือราคามากเพราะเหตุายเพราะวัตถุประณภทลักของดีๆก็บาปมากหน่อย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 แต่เมื่อวัตถุเสมอการนะก็คือลักบาทหนึ่งสองบาทเท่ากนะันนะะรักทีละบาทสองบาทเหมือนกันยังไงก็บอกว่าโทษมากในเพราะวัตถุของผู้ที่มีคุณสูงสมมุติถ้าหากว่าลักสตังพ่อบาทหนึ่งกับรักสตังเพื่อนบาทหนะึ่งพ่อเป็นคนมีศีลมีธรรมเพื่อนไม่มีศีลไม่มีธรรมย่างเงนะใครบากประกันบาทเดียวเท่ากันะนะไหนนะ รักพ่อบาปกว่าพ่อมีศีลมีธรรมรักพ่อก็บาปกว่านะทุบตีพ่อแม่ก็ยังบาปเลยท่านถ้าคิดไม่ดีแล้วเนี่ยนะกับพ่อกับแม่ยิ่งท่านมีคุณมากก็ยิ่งมีโทษมากนะทีนี้ถ้าหากว่าไปรักของที่ผู้มีคุณธรรมต่ํากว่าผู้มีคุณธรรมสูงนั้นๆะนะโดยหมายเอาคุณธรรมที่สูงๆนั้นๆเป็นเกณฑ์สมมุติถ้าเราไปรักของคนที่ไม่มีศรรมีลราคาเท่ากันเนี่ยนะ กับรักของคนมีศีลเนี ice, like er. es, ่ยนะคนมีศีลเนี่ยบาปมากกว่าทีนี้ศีลห้ากับศีลแปดเนี่ยนะรักเสื้อตัวหนึ่งของคนมีศีลห้ากับรักของคนมีศีลแปดรักของคนมีศีลแปดเนี่ยบาปกว่าทีนี้ถ้ารักของคนมีศีลแปดกับรักของสามเณรรักของสามเณรก็บาปกว่าทีนี้ถ้าหากว่ารักของสามเณรกับรักของพระถ้าปุตตุชนทั้งคู่รักของพระบาปกว่าแต่ถ้าเนรเป็นพระอรหันทรักเนรบาปกว่า ต้องแล้วแต่คุณธรรมของของเจ้าของอันนั้นถ้าราคาเท่ากันนะ <c oughs> เพราะเอาเอาเจ้าของเนี่ยมีคุณธรรมมากขนาดไหนะะนันของส่งเนี่ยจึงมีโทษมากแต่เมื่อวัตถุและคุณเสมอกันอธินาทานชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะความที่กิเลสและประโยคเป็นของอ่อนคือหมายความว่าในของของพระหรือว่าของพ่อแม่นะ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 คืที่กล่าวเอาพ่อแม่ใช่ไหมสมัยเด็กๆ เ, เอาบ่อยอ่ะผมคิดว่าขบอยของคนอื่นนะครับเป็นบาปมากกว่าของพ่อของแม่ <c oughs> ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอของพ่อแม่ไงท่านก็นเมีตายไปแล้ ว, ลวนะแล้วก็พยายามมากนะบางทีแค่กระปุกออมสินเราตัง้งใจแค่จน <c oughs> <c oughs> ก็เพิ่งรู้นะทีนี้มาเจอนี่ผมมีคําถามอยู่นิดหนึ่งคนระว่า รักของคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าค่ามากมีบาปมากนะฮะค่าน้อยมีบาปน้อยแต่ทีนี้สมมติว่าบาปมันอยู่ที่ใจตัวเองอะสมมติเรารักของคนอื่นมีค่ามากแต่เราไม่คิดอะไม่ต้องคิดมันนะเอามาละกันแล้ไปแต่เราทํานองเดียวกันอะตรงข้ามเรารักของคนอื่นมีค่าน้อยแต่เราคิดเหลือเกินเราไม่น่าจะขโมยเขาเลยถึงจะมีค่าน้อยมันก็ไม่น่าขโมยเขาอะนะอันนี้อันไหนบาปมากกว่ากันครับผมถ้าว่าถ้าเอาในเรื่องลักษณะเดียวกันถ้ากิเลสมากในเรื่องนั้นถ้าวิปัิสารมากก็บาปมากอยู่แล้ว ทวิปฏิสารมากก็บาปมากแต่คือในขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือเหตุภายในนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราลักของบางคนเราไม่คิดมากแต่อาจจะมีโทษมากเช่นของสงเนี่ยสมมตินะบาปมากแต่ไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ย<ม>ยังไงก็บาปมากนะคิดไม่คิดก็บาปมากนั่นแหลอะอาจนรย์ท่านจึงแยกว่าสมมติว่ารักของใครก่อนรักของใครทีนี้ในการรักอันเดียวกันเนี่ยกิเลสอันไหนเกิดมากกว่า บางทีเราไปลักของเพื่อนนี่คิดมากจังเลยนะแต่ว่าไปรักของพระอารหรอันต์นี่ยกลับไม่เคยคิดเลยอย่างเนี้ยรักของพระอารหันต์ก็บาปมากบาปมากกว่าเธอในขณะที่เรารักก็ถือว่าเป็นของเราไปแล้วนะขณะที่เราถือเอาเคลื่อนจากฐานเนี่ยนะสมมุติว่าการรักเนี่ยนะแค่เคลื่อนจากฐานนี่ถือว่าถือว่าผิดแล้วนะสมมุติว่าเราเห็นดินสอก็วางไว้ใช่ไหมเรารู้ว่าของมีเจ้าของเรายกขึ้นเนี่ยนะ พลนเนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยเอาไปได้ไม่ได้ไม่ไไมเป็นเกณฑ์นะเคลื่อนจากฐานเนี่ยถือว่าเป็นอธินาทานแล้วเอาไปสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็ตางแค่เคลื่อนจากฐานเนี่ยเท่าปลายเส้นผมเนี่ยนะคือสมมติเรายกขึ้นเนี่ยพ้นเนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยถือว่าขาดแล้วน ะ, ะระ่วงกรรมบทไปแล้วคือถึงจะรักเอาไปให้ใครก็ตามเถอะ ในขณะที่รักก็ขณะหนึ่งขณะ <คน S 1> ที่ให้ก็ข ณ, ขณะหนึ่งคนรัขณะกันคนรขณะกันเจนิญพถามว่าของที่รักขโมยมาเนี่ยเอาไปทําบุญได้บุญไหมได้ไหมได้แต่<ด><ด>ว่าบุญนั้นไม่มีผลมากเมื่อเทียบกับของบริสุทธนะิ์นะอในของสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ของที่บริสุทธิ์มีมีอั น, นิี้สอมากมีผลมากนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าบุญที่มีผลมากอันนี้สองมากก็คือหนึ่ง ผ, ผู้ให้มีศีลของนั้นมาโดยธรรมสามผู้รับก็มีศีลนะองสามนี้จึงเป็นผู้ให้ที่มีผลมากเมีย น, นิสงมากอ่าสาเร็จแล้ ว, ลวถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยสมมติว่าของอ น, นี่มีราคาเกินกว่าห้ามาศกตามพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะยกเนี่ยเคลื่อนจากฐานเท่านั้นก็ประราชิกแล้วนะเคลื่อนจากฐานก็ประราชิกแล้วเอาไปได้ไม่ได้ไม่ใช่เกณฑ์ แค่เคลื่อนจากฐานเนี่ยปาราชติก บ, บอกว่าเหมือนคนคอขาดแล้วเนี่ยยังไงก็คอขาดแล้วกูดแล้วฉะนั้นอากุศลอันนั้นที่เราทําไปแล้วนะถึงมาเสียใจหรือไม่เสียใจก็ตามอากุศลอันนั้นก็เป็นอันนั้นต่แต่ถ้าหากบอกใครที่ทําแล้วเสียใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิปติาสารนั้นมีความเบี่ยงเบนใจอคนที่วิปติาสารเนี่ยเขาบอกว่าวิปติาสารเนี่ยจะเกิดกับคนดีเท่านั้นนะ น, นะพอวิปัสสนาปั๊บก็ให้ตั้งใจสํารวมเอาใหม่นะ<ม>พลาดแล้วไปแล้วไปคือมันพลาดไปแล้ว่ทําไงได้ท่านให้ตั้งใจเอาใหม่นะท่านศีเนี่ยจึงเกิดเพราะการหนึ่งการสมทานใช่ไหมการสํารวมระวังนะคล้ายๆกับพระเป็นอบัตยังงั้นแหล ะ, อะบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอบัตเชื่อนี้นะไปกล่าวกับพระพิสุอีกรูปหนึ่ง <S <S พิสุอรูปหนึ่งก็บอกว่าท่านเห็นอบัตินั้นหรือท้าพผมเห็น ดีแล้วคขอให้ท่านสารวมระวังต่อไปดีแล้วข้าพเจ้าจะสํารวมระวังด้วยดีต่อไปดังนั้นการสังวรสํารวมระวังเนี่ยเป็นความเจริญแต่ว่าแ ต, แต่ถ้ารู้แล้วยังขืนทำรรนี่เขาเรียกว่าเป็นอัลลัชชีนะเขาเรียกว่าไม่มีความละอายแต่ถ้าหากว่าล่วงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดทำคืนนี่เป็นลัชชีเป็นผู้มีความละอายมีเฮเรโอตปัปคือของที่ตกไว้นั่นนะมันแล้วแต่จะคิดอะ แล้วแต่เจตนาถ้าเจตนาจะถือเอาอ่ะก็เป็นอธทินาทานด้วยนะคือเจตนาถือเอาว่าของเนี่ยมีเจ้าของหัวงแหนแน่นอนนะเจ้าของเขามาคืนเขาต้องเอาแน่นอนเสร็จแล้วเราคิดจะเอาอ่นะอ่าก็คือเขาบอกว่าในวินัยเนี่ย ก, ก็มีกล่าวไว้นะนะเขาบอกว่าถ้าเป็นของเก็บในวัดเนี่ยถ้าของตกในวัดนะวินัยกรรมบอกว่าให้เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขา อ่านะถ้าเจ้าของเข้ามาก็ก็คืนเขาแต่ถ้าหากว่าเจ้าของเขาไม่มาเจ้าของเขาไม่มาก็อ่านะให้ไปก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าเจ้าของเข้ามาเมื่อไรก็บอกเขาว่าของของโยมเนี่ยทำอันนี้ไปแล้วนะถ้าเขาไม่ยอมต้องใช้คืนนี่คือของนอกวัดเนี่ยเขาให้เก็บนะแต่ถ้าขอของในวัดนะถ้าไม่เก็บเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าเป็นนอกวัดเนี่ย ถ้าเก็บด้วยทายาเจตนาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นปราชิกนะของพระเนี่ยถ้ามีข้าห้ามาตกปั๊บเนี่ยเก็บขึ้นจากพื้นดินก็ถือว่าเป็นเป็นปราชิกละพราะนวินัยท่านจึงบอกว่าจะหยิบของคนอื่นเนี่ยให้สำเนีบรใส่ใจว่าเหมือนกับจะจับงูเห่าอย่างนั้นนะนะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้นะพระที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะพอมาศึกษาพระวินัยตอนหลังเนี่ยจะวิปฏิสาดมากจะเดือดร้อนใจเอ้เราเคยไปคิดจับ ของใครแบบนั้นบ้าง<ม>บางองค์เนี่ยถึงกันนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะถ้าไม่ศึกษาเรื่องของอธินาทานให้ดีเนี่ยวิปติสารจะง่ายมากเรื่องของศีลเนี่ยมีมีความสําคัญมากถ้าเราไม่สามารถที่จะชําระศีลได้ดีความบริสุทธิ์ใจเราก็มีไม่เพียงพอความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเราไม่เพียงพอถ้าความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่เพียงพอนะ เจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ฐานะเลยเป็นของที่ยากมากถ้ากรรมฐานยากแล้วเนี่ยนะถ้าสมถกรรมฐานยากแล้ววิปัสนากรรมฐานการที่จะรณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นอีกนะมีความยากละเอียดลึกซึ้งตามลําดับชั้นนั้นไปทีนี้ในอาทินาทานนั้นเชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวเป็นระักของที่มีราคาน้อยก็ มีโทษน้อยอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้กล่าวว่าถ้าหากว่าไปรักหรือไปทําชั่วในสํานักพระขี่นาศกถึงขั้นอธินาทานก็มีโทษมากใช่ไหมไปรักของพระอรหันต์เป็ต้นเนี่ยก็ถือว่าบาปมากนะคือคําว่าลักเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ลักในลักษณะเอาไปใช้อะไรไปรักเช่นไปทําลายให้มันเสียหายไปเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าสงเคราะห์ประเภทอธินาทานเหมือนกันนะเช่นไปทําลายไปให้มันเสียหายไป ให้ใหพ้นจากเจ้าของไปขันธ์อธินาทานนั้นจะต้องเอาองค์มาจับด้วยนะว่ามีองค์ห้าหนึ่งประปริกหิตตังของที่เจ้าของหวงแหนสองประปริกหิตะสัญยิตารู้อยู่ว่าเป็นของที่เจ้าของเขาหวงแหนและก็สาทยจิตตังจิตคิดจรักสี่อปปะโมทําความพยายามที่จะลักหเตนะหะรนังลักมาได้ด้วยความพยายาม คือเรียกว่าลักด้วยความพยายามอันนั้ น, น่ตรงนี้เนี่ยไอ้คำว่าลักมาเนี่ยนะมันเป็นสำนวนเฉยๆฉแค่เคลื่อนจากฐานนาะทา น, นรายละเอียดของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักๆนั้ น, น่ะในวินัยปิดกทุติยปาราชิกกล่าวไว้ละเอียดมากนะอันหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดี อัพระราชาจับโจรได้แล้วค่าเสียบ้างจำแขวงไว้บ้างในประเทศเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นขโมยเจ้าเป็นคนทานเจ้าเป็นคนหลงเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสูจถือเอาทรัพย์อันเจ้าของให้ไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิสูจนนี้ก็เป็นประราชิกหาสังวาสไม่ได้นีมีโทษอันห้ามาศกนี้วินิจฉัยก็ประมาณไม่เกิน200ร้บาทเหนไหมาตัวไม่กี่ตังแล้วพ่ะ ผิดพลาดนะก็ขอหลุดแล้วทีนี้ต่อไปนะว่าประโยคมีหอย่างคือประโยคแห่งการลัก่ะนะก็เหมือนกับปราราฏิบาตอาจจะลักเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นลักเป็นต้นก็ได้ก็ถือว่ามีโทษทั้งนั้นแหละทีนี้บันดาการลักบางอย่างก็รักได้ด้วยการร้มนใช่ไหมก็เรียกคล้ายๆกับสะกดจิตแบบนี้นะไปสะกดจิตให้เขาควักสตังมาให้เราเองอย่างเงี้ย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 โดยที่เจ้าของเขาไม่ได้เต็มใจอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอธินาทานอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าอาการลักเนี่ยมีห้าอย่างเช่นลักด้วยความเป็นขมโมยเรียกว่าทยาวหานสองประสั ย, ยาวหานก็คือลักด้วยการข่มขู่คูเอาอะคู่เอาก็ถือว่าเป็นอธินาทานเหมือนกันขูหรือการโชคประเรกปาวหานลักตามที่กาหนดไว้ แล้วก็สี่ปฏิจฉันนาวาหาลักด้วยกิริยาที่ปกปิดแล้วก็ห้ากุสาวาหาลักด้วยการสับเปลี่ยนฉลักอันวิธีการลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูนะทํากิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งแทบจะเป็นการลักเลยให้เอาองค์ข้างบนเนี่ยไปจับในการจับเข้าของคนอื่นเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะในกิริยาเหล่านี้เอาข้อห้าข้างบนเนี่ยว่าอ่าเช่นสับเปลี่ยนเนี่ยสับเปลี่ยนทําไมใช่ไหมสมมติถ้าหากว่า มีนาฬิกาอยู่สองอันนาฬิกาอันหนึ่งในราคาสิบบาทนาฬิกาอีกอันหนึ่งราคายี่สิบาทอย่างเงี้ยนะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเราก็มาสับเปลี่ยนกันลักษณะนั้นก็เือนลักษณะของอัฐินนาธานอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละงนั้นถ้าตรงนี้ไม่กล่าวละเอียดนะเพราะว่านวินัยปิฎกทุติยปราชิกเนี่ยโหกล่าวละเอียดลึกซึ้งมากเลยเล่มนั้นน่ยเป็น อธินาทานเนี่ยละเอียดมากในบรรดาวินัยปิฎกเนี่ยอธินาทานเป็นเรื่องที่ละเอียดละออลึกซึ้งมากนั่นแหละทีนี้การที่เราจะรู้เรื่องของอธินาทานดีเราก็เอาอาการหกมาวินิจฉัยเช่นโดยสภาวะโดยอารมณ์โดยเวทนาโดยมูลโดยกรรมและโดยผลของอธินาทานยางนนทีนี้โดยสภาพอธินาทานทั้งหมดเป็นสภาพของเจตนายอย่างเดียวใช่คิดจะักคิดจะเอาอะ สโดยอารมณ์อารมณ์ของอธินาทานมีทั้งสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีทั้งสังขารเป็นอารมณ์บ้า ง, ง, ง, าาางแล้วแต่ว่าไปรักอะไรรักสิ่งมีชีวิตหรือรักสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้สมมติว่ารักคนอย่างเงี้ยรักแด็กอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นการลักลักเป็นการขโมยด้วยเหมือนกันอันโดยเวทนาความรู้สึกขณะที่ขโมยอธินาทานมีเวทนาสามนะ ขณะที่ขโมยบางทีก็สุกนะบางคนเนี่ยรักด้วยความสุขใจรักด้วยหน้าโลภะนะรักจนชำนาญเนี่ยนะยิ้มเฉยเลยนะรักด้วยแบบเรียกว่าสีหน้าไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอาทินาานาทานที่คนค่อนข้างทําบ่อยๆมากบางคนเนี่ยรักก็เฉยได้อ่ะบางคนเนี่ยรักเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจสูงๆกำๆต่ํากตุบๆุกตับนะทุกข์นะไม่เคยโหสมัยสมัเด็กๆอ่ะไปรักอ้อย นาเจ้ารวดมีคนเฝ้าอยู่อ่ะเราเนี่จะเอาไปยังไงนะจะให้เจ้าของก็ไม่เห็นอ่ะโอ้โหไปหักได้ลำสองลาเจ้าของก็มาจับได้เนี่ยโอ้แทบร้องไห้เลยแทบจะแรกแผ่นดินหนีเลยนะไม่เคยมีความทุกข์ใดเท่านั้นเลยอ่ะโอ้ทุกข์จริงๆเจ้าของก็มาบอกวิ่งเราวิ่งใหญ่เลยนะโอ๊จําได้ทุกวันเนี้จำํำเลยังรู้สึกเหนื่อยเลยอ่ะสิบกว่าปีเออสมัยเด็กๆอ่ะ่นาน ยังยังเรียนหนังสือยังอยู่เรียนประถมอยู่เลยนะเขชวนไปก็ไปลักอ้อยแล้วอ้อยนี่เป็นอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยสวนป่าเป็นอ้อยมันไม่ได้อ้อยแบบมันบานอะไรนะขบไปจะเข้าเนี่ยขนานั้นก็ไปลักโอถูกจับเนี่ยทุกข์ที่สุดในโลกเลยนะไอขณะที่ไปหักเนี่ยใจก็สูงสูงต่ำต่ำตึงตึงต่ำโอ้ยทุกข์จริงๆนั่นก็เรียกว่าลักโดยทุกเขเวทนานะบางทีเนี่ยเคยลักตะตังแม่เหมือนกัน โอยแม่มาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใจตรงๆกำต่ำตึงๆกำต่ำน่ะบา ท, ท้องบาทแค่ น, นั้นแหละไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าใหญ่โตแล้วก็อันบางบางคนก็ถ้าไม่ไม่ไม่เคยทําเครียกว่าไม่ใช่นักหยิบฉวยมืออาชีพนะจะทําแล้วก็ความทุกข์จะเกิดในขณะนั้นแต่ถ้ามืออาชีพนะทํำเลยสายตา ย, ยิ้มแย้มแจ่มสายนั่นน่าใช่นั่นแหละตีหน้าตายนั่นแหละอันเวทนาเนี่ยสามอย่าง ในขณะที่ลักขโมยเนี่ยแล้วก็โดยมูลอธินาทานเนี่ยมีมูลสองด้วยอํานาจแห่งโทสะและโมหะหรือด้วยอํานาจแห่งโลภะและโมหะนะก็คือแสดงว่าการลักนั้นเนี่ยโมหะมูลจิตไม่ลักนะสังเกตจากสัมนวนตรงนี้แล้วโมหะมูลจิตไม่ขโมยนะก็คือท่านบอกว่ามีมูล2ใช่ไหมในขณะที่เป็นโทสะกับ โมหะในขณะที่เป็นโลภะกับโมหะนะวิจิกิจช้าอยู่เนี่ยขณะวิจิกิจชาคิดจะเอาของของคนอื่นเนี่ยคงยา ก, ก น, นะหรืออุทจจะสัมปยุทธอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่อธินาทานเนี่ยนะักด้วยอำนาจโลภะกับโทสะนะมีมูลสองโดยกรรมอธินาทานเป็นกายกรรมนะ กายกรรมแต่ว่าล่วงทางวจีทวานก็ได้กายถวานก็ได้ ก, ก, ไดกรรมกับทวานนี้คนละอย่างนะต้องไม่ลืมว่ากายกรรมมีสามวจีกรรมมีสี่มนโนกรรมมีสามปานาปาาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจาร์กรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางกายทวานก็ได้เช่นปานาติบาตใช่มฆ่าเนี่ยฆ่าด้วยตัวเองก็ได้ใช้ผู้อื่นฆ่าก็ได้เรียกว่า วจีทวา น, นตัวกรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางวจีทวานนะทีนี้โดยผลของกรรมอ่ะโดยผลผลก็ให้เกิดในอบายและให้ผลที่ไม่น่าปรารถนานานาช น, น, น, น, น, นิดนะทรัพย์สินเสียหายน้ําท่วมไฟไหม้เป็นต้นเนี่ยนะส่วนหนึ่งเป็นผลของอธินาทานนะที่จะต้องทรัพย์สินเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมีรถก็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 จะให้ผลอย่างไรนะถ้าให้ผลเป็นทุกข์เอาไหมอย่งเงี้พั้นเราจะได้เลือกจะได้คัดทําได้แต่ถ้าไม่เลือกไม่คัดนะเดี๋ยวก็น้ําตาโชคโชคอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยรถเสียหายใช่ไหมมีรถรถเสียหายก็น้นําตาไหลพราดทุกข์มากมีบ้า น, บ, านบ้านเสียหายไฟไหม้เนี่ยสมมติว่าไฟไหม้เพิ่บนี่นะส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเนี่ยนะบางคนเนี่ยแทบล้มทั้งยืนนี่แหละสลบไปเลย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 แล้วก็เป็นกรรมที่ดีน่าทำมากนะหรือบางคนจะบอกว่าโอ้โหผมจําเป็นนะที่ผมจะต้องลักต้องขอมโมยคอรัปชั่นนะั่นน่ะทุจริตยกักยอกคดโกงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกรมเหล่านั้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยในขณะที่ทําก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาใช่ไหมผมมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูอะ่ะผมมีบุตรภรรยาจะต้องเลี้ยงดูผมมีมิตรอมหมาตญาติสหายต้องเลี้ยงดูผมจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถผมทําไม่ทําอย่างนี้จะได้กินได้อย่างไร ใช่มที่ภาษาดิบุตรถามว่าเออถ้ากรรมอันนี้มันให้ผลเนี่ยนะสมมติว่าไปสู่สำนักยมพบาลแล้วเนี่ยไปอ้างได้ไหมเออที่ผมเขารักขโมยเป็นต้นเนี่ยนะผมทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อเมียนะนะยมพบาลจะได้ลงโทษเลยยมพบาลเอาไหมไม่ยอมรอบนั่นแหละก็ก็นึกถึงชายคนหนึ่งนะเขาเขาไปไปไ ป, ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะ ทีนี้เอเขาเนี่ยเขาฐานะไม่ดีก็ไปจีบผู้หญิงที่มีฐานะมากหน่อยอะทีนี้ก็แต่ก็เข้าไปมาดคนมีฐานะนะจนถึงว่าคบกันนนเสร็จแล้วก็ไปสู่ขอพอสู่ขอมาอ่าก็สินสอดเนี่ยเป็นแสนอ่ะทีนี้ตัวเองจริงๆก็ไม่มีอ่ะไปตกปากรับปากรับคำอ่ะทาไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปล้นธนาคารแต่แล้วก็ถูกจับได้นะ <c oughs> <c oughs>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 มาปลุกปลอบใจตัวเองเพื่อที่จะได้ทำบาปต่อไปอ น, น, นวิธีทางอื่นซึ่งมันไม่ต้องบาปกรรมมากขนาดนั้นก็มีอยู่อันเรียกว่าให้เรารู้จักพิจารณาหน่อยนะของบางอย่างถึงจะดีก็จริงแต่ถ้ามาด้วยด้วยสิ่งที่เป็นโทษได้มาด้วยบาปอากุศลสิ่งสิ่งนั้นน่ะถึงเรียกว่าดีมันก็ดีอยู่ไม่นานนมันอันตรายเหมือนก้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะให้ผลเนยน้าตาไหล ทีนี้กรรมอันนั้นเนี่ยพอลืมไปพับมันให้ผลเนี่ยนะส่วนใหญ่พวกกําลังนึกนึกอยู่มันไม่ค่อยให้ผลนี่บางทีอะ่ะลืมไปแล้วมันจึงให้ผลพอมันให้ผลปับ๊บนะคร่าครวญเอ๊ะมึงมาได้ทําเวรทากรรมกรรมอะไรมาให้ผลหนกัก น, นะส่วนใหญ่เนี่ยกรรมมันส่วนหนึ่งมันจะให้ผลแล้วลืมเช่นอาเราเอาขนุนมาสักมเมล็ดหนึ่งไงเอามาปลูกอะ่ะรดน้ำพรวนดินเช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อไหร่จะออกลูกก็เพียงไ น, นะเร่งอย่างนั้นก็ไม่ออกเพียง ลืมไปสามสี่ปีห้าปีผ่านไปมันออกลูกเออขนนนี้มันออกลูกเหมือนกันเนียมาไงเนี่ยบางทีปลูกก็จะลืมเลยอ่ะพอไปดูอีกทีอ้าได้ลูกไปแล้วนั่นแหละฉันนายพวกกรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันอันกรรมที่ทําแล้วให้ผลทันทีภายในเจ็ดวันนั้นอนะ่ะก็คือกรรมประเภททํากับพผ่ารหารัสอันนั้นที่เรียกว่าการให้ทางกับพผ่ารหัสที่ออกจากนิโรธสมาบัตินะ่ะนะอันนั้นจะให้ผลภายในไม่เกินเจ็ดวัน หรือว่าอริยมรรคสมาธิเนี่ยก็ให้ผลในขณนะนั้นเลยส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยนะก็ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยนะชาวนาดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ให้ผลในชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่าชาติที่สามเป็นต้นไปทีนี้เราคิดดูนะเรานี่อยากจะ้องเรียกให้มันให้ผลเดียวเลยชไหม ต, ตอนทำดีบ้างเหรอ รองเรียกมันให้ผลเร็วๆหน่อยนะตอนทำเดียนะแต่ถ้าหากว่ามันให้ผลอย่างนั้นนะดีกับไม่เดียนไหนมากกว่านะแล้วจะจะให้มันให้ผลเร็วไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยค่อยๆตามกดของมันนั่นแหละกนดีแล้วไม่ใช่ไปเร่งได้ถ้าเร่งได้ก็คือผู้ที่เข้าใจเรื่องประโยคะบางอย่างตามก็จะให้ผลดี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 นะพ่อพาไปดูหน่อยงันะพ่อตายแล้วผมจะได้ไปถูกมนะั้งพ่อก็พาไปเลยตรงนี้ลูกั้นะพ่อตายแล้วก็ถ้าจะเผาหรือฝังก็เอาตรงนี้นะก็ลงมาพุทธเจ้าก็มาดักรอถามว่าไปไหนมางัพนะ่อไปบอกก็เล่าให้ฟังอ่ะนะไปไปที่ที่ไม่เคยมีใครเผาใครฝังอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าพระองค์ก็บอกว่ า, ออวาตรงนั้นเนี่ยศพท่านศพเดียวเนี่ยนะแปดหมื่นี่พันครั้งแล้วอ่ะนะ ขนาดไม่เคยเผาไม่เคยฟังอันเนี้ยแปดหมืสี่พัน 4, ครั้งแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นที่ที่ใดที่ไม่ตายเนี่ยหายากผ้าหนนเท่านั้นแหละที่นิพพานในอากาศนะถ้าสัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่ขนาดนกบินอยู่เนี่ยนะเปืนบางอย่างยังใจขาดอยู่บนอากาศนั่นแหะนั่นแหละนกก็ยังตายกลางอากาศเลยนะเพราะฉะนั้นบา ป, ปรกรรมที่บุคคลทํำไ้แล้วเนี่ยนะที่มันจะไม่ตามให้ผลเนี่ยหายากมากออือ ทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่างดเว้นถ้าอธินาฐานาปฏิวิรตโตเนี่ยนะสมาทานศีลดเว้นจากอธินาทานนะส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกันกันกบปณติบาตนั่นแหละทีนี้มาดูอ น, นิสงส์ของการรักษาศีนข้อสองนะถ้าผู้ที่สมาทานศีนข้อ น, นี้ดีจะให้ผลอย่างไรก็คือข้อหนึ่งนะ มหาธนท า, านยตาความเป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากก็คือทําให้คนเป็นคนมีทรัพย์อะนะใครอยากรวยก็ศีลประเภทนี้ก็รักษาดีๆหน่อยสองอนันตะโพคาตาความเป็นมีเป็นผู้มีโภคะเป็นอนเนกอ น, นันก็คือมีเยอะอะแล้วก็สามธิรโพคาตาเป็นผู้มีโภคะยั่งยืน อยากให้ซัพย์มั่นคงขาววอหน่อยก็ศีลข้อนี้ก็ดีๆกันแล้วกันสีอิชิตานังโพโคานังคิปะ ป, ป, ปฏิลาภูการได้พวกท้าซับตามที่ต้องการอย่างฉับพลังนะถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามีบุญ ร, ระดับพระเจ้าจากาักรพรรดิเนี่ยบอกว่าต้องการใช้ทรัพย์กลางน้ำเนี่ยนะเสนาบดีฝ่ายขุนคลังเนี่ยล้วงเข้าไปในน้ำเนี่ยดึงซัพย์มาให้ใช้ได้เลยนะถ้ามีบุญจริงๆอ่ะ ไม่ว่าจะซับในแผ่นดินซับในน้ำํำซับในอากาศเนี่ยดึงมาใช้ได้หมดอ่ะถ้ามีบุญจริงๆเพั้นถ้าหากว่าคนที่ประบุญประเภทนี้ดีก็สามารถที่จะใช้ซับได้ง่ายพระอานารย์เตอนนี้ก็มีแล้วค่ะเขาใช้บัตรทีเอ็มค่ะไปที่ไหนได้ทันทีออกมาเลย <c oughs> โกดออกมาเลยเนาะนะ <c oughs> นะได้แสดงว่ามีบุญมากเนาะโมทนาได้วยนะอมุทิตาด้วยอ๋อใช่แสดงว่าคนยุคนี้มีบุญมากนะ ใช่ไหมเสื้อผ้าก็สอยเอาแล้วอ่ะ <c oughs> แขวนในตูงไหนต่อยเอามาอัน <c oughs> คนยุคนี้จะว่าไปก็มีบุญเยอะนะแต่ว่าดูท่าจะรักษาบุญได้ไม่ค่อยนานใช่ไหมน้อมเอาผลของบุญไปทำบาปสัส่วนหนึ่งเลยอ่ะก็น่าน่ า, น, าน่าเจ็บน่าสงสารน่นะคล <c oughs> ้ายๆกับว่าปลูกต้นไม้นะผลมันออกมาดีแล้วเสร็จก็เก็บผลไม้ด้วยหักกิ่งหักอะไรไปด้วยนะ อันคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะยุคนี้เนี่ยก็ผลแห่งกรรมดีก็ให้ผลเนี่ยสบายแต่แล้วในขณะเดียวกันก็ทำกรรมชั่วไปด้วยในตัวนะเพื่อที่จะทำลายเรเหมือนกับการหักกิ่งใบนั่นแหละเหมือนกับการขุดรากถอนโคนนะ